ธรรมะนะแปลว่าอะไรแปลยากนะเหมือนคำว่าเตา๋าแปลว่าอะไรไม่ใช่ลูกเ ต, าต๋าเต๋าธรรมะครอบคลุมสรรพสิ่งนะมีทั้งสิ่งซึ่งเป็นความปรุงแตง่งและสิ่งที่พ้นจากความปรุงแตง่งในสิ่งที่ปรุงแต่งก็มีทั้งสิ่งที่เป็นปรูปธรรมานามธรรมยังธรรมะจริงๆเป็นคําที่ใหญ่เป็นคําที่กว้าง แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนะท่านเลือกเอามาสอนนิดเดียวเอง<ม>จากความรู้อันมหาศาลท่านสอนนิดเดียวว่าเรื่องทุกข์กับความพลนทุกข์ความดับทุกข์<ม>นั่นขอบเขตคําสอนของศาสนาพุทธนะเล็กนิดเดียว เ, เราจะเรียนเรื่องสิ่งที่เป็นทุกข์นะกับเรียนเรื่องความพลนทุกข์อย่างแค่นี้นะสิ่งที่เป็นตัวทุกข์ก็เรียกว่าขันเป็นตัวทุกข์ พระเจ้าท่านสอนไหมนะสังกิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปเนี่ยอุปาทานขันทั้ง5้าเป็นทุกข์เราได้ยินคําว่าอุปาทานขันเป็นทุกข์บางทีก็เลยแปลผิดไปแปลว่าขันอันไหนถ้าเราเข้าไปยึดเราทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ไม่ใช่คําว่าอุปาทานขันเนี่ยเป็นเทคนิคโอเทอเป็นสับเฉพาะนะก็คือขันที่พวกเรามีอยู่นี่แหละขันบางอย่างไม่เป็นอุปาทานขัน ไม่จัดอยู่ในกองทุกอะไรบ้างยอดปรรดาจิตมรรคจิตผลจิตทั้งหลายไม่จัดอยู่ในกองทุกนะโล ก, กุตระจิตทั้งหลายไม่เป็นกองทุกกริยาจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายไม่จัดว่าเป็นกองทุกส่วนขันยางอื่นๆนะอย่างที่พวกเรามีนี่ เป็นขันที่เรียกว่าอุปาทานขันเท่านั้นเป็นขันซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นใดนะส่วนโลกรุตระจิตไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นก็นะไม่เรียกว่าอุปาทานขันฉะนั้นคำว่ารู้ทุกเนี่ยเราไม่ต้องไปรู้หรอกจิตพระดรหันเป็นยังไงไม่มีความจําเป็นสักนิดเลยนะดูจิตของเราเองนี่แหละนี่แหละอุปาทานขันจนะพูดง่ายๆสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือตัวเรานี่แหละตัวทุก ทำไงจะดับทุกข์ทำไมจะพ้นทุกข์ว่าพ้นจากความยึดถือในตัวในตนได้มีอยู่แต่ไม่ยึดนะมันก็เหมือนไม่มีถ้ายึดอยู่ก็เป็นไปแบกเอาความทุกข์ขึ้นมายกตัวอย่างนะหลวงพ่อยกกระติกน้ำนะํำขึ้นมาอีกอันหนึงยกยาดมเราจะรู้สึกว่ากระติกหนักใช่ไหมถ้าหลวงพ่อวางกระติกไปใช่ไหมยาดมหนักใช่ไหมกระติกไม่หนักละ ถ้าทิ้งไปหมดเนี่ยไม่มีอะไรหนักไม่มีอะไรหนักงนั้นอะไรที่เราเข้าไปยึดไปถือนะอันนั้นแหละหนักเป็นภาระเป็นกองทุกข์ถ้าไม่ไปยึดไปถือนะมันทุกข์โดยตัวของมันเองมันหนักโดยตัวของมันเองแต่เราไม่ไปแบกไม่เกี่ยวแล้วนะเราจะฝึกจนกระทั่ทงเราไม่ยึดถือในกายในใจนี้ที่เราไม่ยึดถือในกายในใจได้เพราะมีปัญญา เรามีปัญญานะถึงไม่ยึดถือมีปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเราคืนไปหยิบไปช่วยขึ้นมาจะไปแบกภาระไปแบกความทุกข์ขึ้นมามีบทสวดมนต์อยู่บนหนึ่งภาระภาระเวปัญจักขันธะขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระเป็นของหนักคนทั้งหลายแบกของหนักไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระริยาเจ้าวางของหนักลงแล้วแล้วก็ไม่หยิบช่วยขึ้นมาอีกก็พ้นจากทุกข์ไม่มีภาระ เราจะวางภาระวางของหนักหรือวางความยึดถือในขันลงได้เราต้องเห็นความจริงของขันเสียก่อนว่าขันนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเราไปหยิบไปช่วยเอาไว้เพราะเราคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษแต่ถ้าปัญญาเราเห็นแจ่มแจ้งไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีสิ่งที่ถาวรเลยนะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนนะถ้าพูดอย่างนี้ยังแปลไม่ออกฟังแล้วไม่เห็นภาพขยายความให้ฟังก็ได้สิ่งซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าความทุกข์นะทุกตัวนี้แปลว่าทนอยู่ไม่ได้เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทนอยู่ไม่ได้ะมันเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหะมันเลยทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้หมายถึงว่ามันมีแล้วสัก <fat> วันหนึ่งมันต้องไม่มีนะ มีขึ้นมาตอนนี้ต่อไปต้องไม่มีนะเพราะงะั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีคําว่าถาวรนะมีขึ้นมาเพราะมีเหตุว่าหมดเหตุมันดับไปมันก็ไม่มีนะคําว่าอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรมันจะตัว ต, วตนถาวรได้ยังไงกระทั่งจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่ใช่จิตมีดวงเดียวนะกี่ภพกี่ชาติเวียนว่ายตายเกิดว่าจิตมีอยู่ดวงเดียว เนี่เราจะฝึกนะเราจะฝึกวิธีฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหลักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะให้เรามีสติรู้กายรู้ใจนะรู้อย่างที่เขาเป็นเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของเขาเราจะเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจได้เราต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้รู ป, ร, ปรู้นามที่กําลังปรากฏขึ้นมานด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ปัญญาก็จะเกิดขึ้นอาศัยสติและสัมมาสมาธิสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่ปรากฏอยู่จิตมีสัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายจิตสักว่ารู้ว่าเห็นก็จะเห็นความจริงของส ภ, ภาวะทั้งหลายนะล่วนแต่ของผ่านมาแล้วผ่านไปมีแล้วไม่มีมีแล้วไม่มีเรียกว่าเป็นอนิจจงของที่ไม่มีวันหนึ่งมันเกิดมีขึ้นมาก็เรียกอนิจจ์นะ ของที่เคยมีแล้วมันไม่มีก็เรียกอ น, นิจจังสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีทนอยู่ไม่ได้เกิดนะดับหมุนเวียนไปไเรื่อยเรียกว่าทุกขังมันทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ไดนะ้ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่ว่าอนัตตานะนี่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะจนเห็นว่าไม่มีเราหรอกมีแต่รูปกระนามมีแต่กายกระใจแต่ไม่ใช่กายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราเฝ้นะารู้ของจริงเรียกทำมิปัสสนา เราจะทำวิปัสสนาได้ดีเราต้องซ้อมให้เกิดสติด้วยการหัดรู้สภาวะบ่อยๆเราต้องฝึกสัมมาสมาธิให้จิตตั้งมัน่นเพราะเราต้องการเครื่องมือสองตัวคือสติกับสัมมาสมาธินั้นบะางทีต้องเรียนก่อนที่จะไปเจริญปัญญาต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่าจิตตศิขาเรียนเรื่องจิตให้ดีสะก่อนจิตตะศขาเรียนไปเพื่อให้เกิดจิตที่มีสัมมาสมาธินั่นเอง จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางในการรู้รูปรู้นามทั้งหลายดังั้นการเรียนจิตศิกขานะเพื่อให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้รูปในขณะที่จิตตั้งมั่นจะเห็นว่ารูปไม่ใช่เราสติระลึกรู้นามาทําทั้งหลายความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายกระทั่งจิตสติระลึกลงไปพบจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่ก็จะเห็นว่านามธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรา การอาศัยเครื่องมือสองตัวคือสติกับสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็มีวิธีฝึกเมื่อเช้าก็เล่าให้ฟังแล้วนะอันหนึ่งฝึกเข้าชานถ้าฝึกเข้าชานไม่ได้ต้องเล่นอีกวิธีหนึ่งวิธีทําจิตให้มีสมาธิมีสองอย่างหยบหยาบนะมีสองอันอันหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่สบายๆจิตไม่หนีไปไหนจิตก็มีสมาธินี่น้อมพ่อไปหาอารมณ์อันเดียวนะอีกอันหนึ่งนะรู้ทันตัวจิต ถ้าเราฝึกด้วยการดูจิตนะเรารู้ทันจิตเลยจิตมีความอยากขึ้นมาจิตจะดิ้นจิตจะวิ่งไปหาอารมณ์จิตจะแส่ใสจิตมีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเลยนะความอยากในอารมณ์ก็คือตัวการรมาชันทะนั่นเองกามาชันทะนิวรณ์เกิดขึ้นมีโลภะนะเฉะนั้นถ้าใจเราหิวอารมณ์เมื่มอไรเรารู้ทันแนละจิตจะตั้งมั่นนะ ใจฟุ้งซ่านเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นใจหดหู่เรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นใจลังเลสงสัยเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นนะเรียกว่าเรามีสติรู้ทันศัตรูของสมาธิพอศัตรูของสมาธิไม่มีสมาธิก็มนะีไม่ต้องสั่งให้เกิดเลยไม่ต้องน้อมใจไปไหนเลยนั่นะมี2วิธีนะวิธีที่หนึ่งน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตก็สงบอยู่ในอารมณนะ์นั้นนี่อย่างหนึ่ง 1> 1. วิธีที่สอง มีสติรู้ทันนิวรณ์ทั้งหลายที่มายุ่วยวนจิตทําให้จิตไม่ตั้งมั่นพอนิวรณ์ดับไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพวกเราต้องเล่นวิธีที่สองในลายเป็นหลักไว้วิธีแรกเล่นยากเมื่อเรารู้ทันจิตที่มีนิวรณ์เช่นจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูหรือว่าหดหูหลายคนไม่ยอมรู้นะยิ่งพวกสาวๆเป็นมากเลยจิตหดหูแล้วชอบใครเคยเป็นมัางหดหูแสบแสบเจ็บเจ็บแสบแสบซึ้งซึ้ง สวมวิญญางนางเอกหันไปหันมาพระเอกมันไม่มาสถที <c oughs> มันยกมงังเอกให้ซะอีกซึงมากเนะนี่ยเรารู้ทันนิวรณไปนะจิตจะตั้งมัน่นะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมอื่นๆนะสะสมไม่ใช่แค่มีสติอย่างเดียวเราจะบรรลุมากผลเห็นหต้องมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาภนะูสนอน่นๆเราก็ต้องทำเช่นเมตตาความเมตตาก็ต้องมี สัจจะก็ต้องมีนะมีความจริงรักในความจริงมีอธิฐานนั้นบารมีตั้งใจทำอะไรดีเลยก็ต้องทำให้ได้ลำบากแค่ไหนก็ทำนะมีศีลศีลแะบารมี ม, มีมีทานนะกล้าเสียสละลดความเห็นแก่ตัวทานไม่ใช่ต้องควักกระเป๋านะอย่างเขาด่าเราเราอภัยได้นี่เรื่องอภัยทานนะมีผลมากนะอภัยทานเขาไม่มีความรู้ เราให้ความรู้เขาเรียกธรรมทานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกทั้งนั้นเลยเพราะว่ากุศลทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องลดละความเห็นแก่ตัวทั้งสิ้นเลยนะลดละความเห็นแก่ตัวคนทําผิดศีลก็เพราะเห็นแก่ตัวใช่ไหมคนไม่มีสัจจะก็เพราะเห็นแก่ตัวคนที่หล่อแหลกโลเลก็เพราะเห็นแก่ตัวนึกออกไหมเช่นตั้งใจว่าวันนี้จะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง เดินไปได้5นาทีเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อเ mm hmm. ห็นเนี่ยเพราะใจโลเลนั้นมันรักตัวเองนะมันคิดว่าเอาไปนอนแล้วดีเพรนั้นบารมีทั้งหลายนะเราสำรวจตัวเองสิ่งใดยังบกพร่องอยู่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะทำกุศลให้ถึงพร้อมแต่บารมีจะมีไม่ได้นะถ้าขาดสตินะขาสติก็ไม่มีศีลขาสติไม่มีสมาธิขาส ต, าสติไม่มีปัญญา ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทํากวนคุณงามความดีอะไรไม่ไหวหรอกนะแล้วเราค่อยฝึกไปจนวันหนึ่งมันแก่รอบนะถึงวันที่มันพอมันตัดทวงมันเองนหละไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตมันบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองจิตมันบรรลุมรรคผลนิพพานของมันเองได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่มีปัญญาจิตจะมีปัญญาได้เองไหมไม่ได้หรอกต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมา มีธีพัฒนาปัญญาคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไหมต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติในนีนะ้พื้นฐานต้องดีต้องมีศีลนะธรรมะฝ่ายกุศลทั้งหลายเนี่ยเกื้อกูลกันทั้งหมดเลยนะวันนี้เทศยาวนิดนึงเพราะว่าคนใหม่ๆ ม, มาม า, มากนะยากไปไหมพวกเก่าๆไม่ต้องมาใสา่หน้า พวกนี้ฟังอย่ารู้เรื่องะใครยังฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะยกมือหน่อยมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องกลัวหลวงพ่อเสียใจโอ้โพูดมาทั้งนานไม่รู้เรื่องนะไม่มีใครยกมือเลยรู้เรื่องหมด <c ười> ใครไม่รู้เรื่องบ้างใครรู้เรื่องบ้างยกมือสิเนี่ยมันจะเริ่มมีทั้งสองประเภทแล้วไม่ยกละอย่าง <c ười> พวกนี้ <c ười> พวกไม่รู้เดียงสาะ <c ười> ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะรู <S <S <S <S <S ้ทันตัวเองไหมอย่าลืมกายอย่าลืมใจรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูกายทำงานดูใจทำงานไปนี่ง่ายๆแล้วพูดแบบเวอร์ชั่นที่ง่ายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเฝ้ารู้ไปด้วยอย่าลืมกายอย่าลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจเรียขาดสติ เมื่อไหร่รู้สึกกายรู้สึกใจเรียกว่ามีสติเมื่อไหร่ร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอางนั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นงนั้นเรียกว่ามีปัญญามันเป็นยังไงมันเป็ น, น, เเป น, ใ น, ในใจลักษไม่ได้เป็นอย่างอืง<ม>ออ่นหรอกต่อไปนะอยากให้ส่งกันบ้านบ้าง บ, บางคนว่าวันนี้ทําไมส่งกันบ้านโผโดยภาษาเท่านั้นแหละไปเรียนกับครูบาอาจารย์ก็ต้องถามตอบทางนั้นแหละะเมื่อติดอยู่ที่วนะัดดิงแล้วมันทาไมต้องส่งกันบ้า น, นเวลาเราไปหาครูบาอาจารย์เราก็ไปถามท่านอะไรนะ ตรงนี้ถูกหรือยังที่ทำอยู่นี่ถูกหรือยังนะถ้าไม่ถูกนะให้ท่านบอกด้วยถ้าถูกแล้วทำไงจะดีกว่า น, นี้อีกเนี่ยหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ก็ถามอย่างนี้นะละยกเว้นครูบาอาจารย์บางองค์ไม่ต้องถามอย่างหลปู่สิมนะไม่ต้องถามนะถามมากก็ไม่มีประโยชน์เลยเราชอบถามเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ท่านชอบตอบเรื่องที่เป็นเรื่องโดยไม่ต้องถามหรอกนะอัศาจรรย์จริงนะครูบาอาจารย์บางองค์ อยางหลวงปูด่ดนก็อาัศาจรรย์อีกแบบห น, นึ่งหลวงปู่ดนลงเนี่ยนะจะชี้ขาดได้ว่าคนที่ให้ภาวนาอย่างนี้อย่างนี้นะหลวงปู่สิมเนี่นะใครไปภาวนาติดขัดอะไรมานะบอกให้เลยไม่ต้องถามหลวงนี่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อนะมีหลายแบบเราเรียนมาหลายองค์แต่และองค์ท่านก็น่ารักนะท่านก็ดีของท่านสารพัดเลยหลวงปู่สิมเนี่ยนะมีคราวหนึ่งไปนั่งฟังเทศกัท่านนะไปกับพวกพี่ๆทีมหนึ่งตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ยกทีมให้ไปเชียงใหม่นะคนบางพวกก็เที่ยวซ่องบางพวกก็เที่ยวกินเหล้าอะไรเงี้ยเราพวกเที่ยววัดพวกพี่ไปกับเราเนี่ยแก่ๆนะเนขึ้นไปหลวงปู่สิมเทศเทศนะมีพี่คนหนึ่งชื่อหมอทองปูนก่อนอยู่โรงพยาบาลกลางน้องรู้จักไหมหมอทองปูนมันรุ่นหลานแล้วเนี่ยหมอทองปูนได้นั่งฟังหลวงปู่สิมเทศนะโอ้ท่านเทศดีจังเลยเสียดายโลกเราไปเรียนอเมริกาไม่ได้ฟังเทศ หนะลวงปู่หยุดปรับเนละฟังอยู่ทํามผาปล ong คิดถึงลูกที่อเมริกาเหลวไหล <c oughs> นะโอโหสุดๆเลยนะจําทั้งชาติเลยนะจําทั้งชาติเลยรู้เลยทีนี้ใจหนีไปแล้รู้ทันเลยนะนี่ครูบาอาจารย์หลากหลายนะแต่และองค์ไม่มีเหมือนกันแล้ววิเศษทั้งนั้นเลยน่ารักทั้งนั้นเลยนะท่านน่ารักท่านมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งนะก็คือท่านไม่เห็นแก่ตัวนะท่านอยากให้เราดี ให้เราพ้นทุกนี่น่ารักทุกองค์ทุกองค์งนะอย่าไปหาหลวงปู่เทศคนที่แวดล้อมท่านเนี่ยเศรษฐีทั้งนั้นเลยรวยๆเท่านั้นเลยบางทีเอาอาหารไปถวายท่านนะใส่ถ้วยคริสตัลไปนะสวยประคองไม่กลัวของหกเรากลัวถ้วยแตก <c oughs> <c oughs> ไปถวายหลวงปู่เจ้าคะนี่ไข่ปลาคาเวียห <c oughs> ลวงปู่ก็ยิ้ม พระอุปถากรตักนิดนึงส่งพระตักครูบาอาจารย์ตักแล้วจะส่งพระอื่นใช่ไหมส่งเรียงอุ้ยชุดตอนอย่างกันของฉันมาคืนมา <c oughs> ใคร <c oughs> อย่างนี้ก็มีนะเ <c oughs> นี่ยคุณหญิงคุณนายไปล้อมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเล่าพ่ะนะอย่าก็โกรธแต่หลวงพ่อคิดว่ารุ่นนี้คงไม่เหลือแล้วละ <c oughs> มันหลายสิบปีไปแล้วนะ <c oughs> มีผู้หญิงอีกคนนึง ชื่อชื่อใหญ่จัดหรือใหญ่หัดอะไรเนี่ยนะชาวบ้านนะถือจานสังกสีมาใบตัวสั่นแก่แล้วจานสังกสีใครรู้จักบ้างมันก็เทาะกระเทาะด้วยนะ <_ c oughs> มักจะมีสีแดงแดงสีอะไรใช่ไหมนึก อ, ออกใช่ไหมจานเนี้ยกระเทาะเลยถือมาในนั้นน่ามีถ้วยน้าพริกอะไรแก่อ ย, อยู่อย่างหนึงแก่ต่ำโมเกเองอะ่ะแล้วก็มีผัก แกไปเด็ดเด็ดมาตามข้างทางนั่นแหะต้มต้มมานะเอามาพอหลวงปู่เห็นนะวกวาดมือเรียกมา น, นี่มา น, นี่จําไม่ได้แล้วชื่อจัดหรือหัดกวากมือเรียกนะเข้าไปจําได้ไหมังไม่ได้วกวาดมือนะตักตักนะคราว น, นี้หลวงปู่ไม่ส่งส่อระหว่างเลย <laughs> โอ้ฉนันอร่อยนะ ให้พวกไข่คาเบียเมื่อไรหลวงู่จะฉันไม่ฉัน <c oughs> นี่นักครูบาอาจารย์นะโอ้งามน่ารักจริงนะแต่และองค์แต่และองค์เห็นอยู่ด้วยนะมีความสุขเราเห็นปฏิปทาครูบาจารย์นะอย่างหลวงพุทธเทศนะคนจนคนรวยไปเสมอกันหมดนะงั่นหลวงพ่อ ก, กับพวกเรานี่เท่ากันหมดเลยนะคนจนคนรวยเท่ากันหมดเท่ากันยังไงได้นั่งเสือคนละชิ้นเดียวเท่ากัน <c oughs> ใครแอบนั่งสองชิ้นเป็นข้อยกเวเห้หรอก อา้าเล่านิทานพอให้หายง่วงกินข้าวมาใหม่ๆต่อไปจะเริ่มตรวจกันบ้านอา้าคนอยู่วัดเชิญนมันส ก, การค่ะหลวงพ่อมาวันแรกหลวงพ่อทักการว่าใจไม่มีแรงอแล้วพอเออออกจากที่หลวงพ่อตรวจกันบ้านไปมันใจมันดิ้นเลยค่ะอยากมีแรงอยากมีแรงไปสักพักนึ่งอะคะ่ะแล้วมันมันก็รู้สึกว่าเห็นความอยากเห็นความอยากมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเออเนาะ ออไม่ทําเหตุจะเอาผลแล้วก็ปล่อยมันสบายๆค่ะแต่เมื่อวานฟุ้งทั้งวันซึมแล้วก็ง่วงตกพวังทั้งวันเลยอ่ะมาดีขึ้นตอนกลางคืนตอนช่วงเย็นเช้านี้ก็รู้สึกใจมีแรงขึ้นนะคะมีแรงขึ้นแล้วใจได้ไปดูต่อนะแต่ใจยังไม่ค่อยตั้งมั่นหรอกใจยังกระจกระจายอมันฟุ้งมากเออนะให้รู้ทันนะรู้อย่างที่มันเป็นอ่ะ บางคนมันก็บอกสอนอย่างนี้สอนได้ไงพวกครูบาอาจารย์สอนเรามาอย่างนี้ตั้งเยอะทั้งหลายองค์นะมีอย่างหลวงพ่อกิมนะหาหลวงพ่อกิมตอนนั้นหลวงปู่ดูลใกล้จะสิ้นแล้วเราถามหลวงปู่หลวงปู่ั้งหมดหลวงปู่แล้วจะให้ผมเรียนกับใครบอกไปเรียนกับหลวงพ่อกิมนะพอหลวงปู่สิ้นนะปีสองเจไปหาหลวงพ่อกิมถามชื่ออะไรชื่อปราโมดปราโมดเห็นสุญญาตาในไม้นี่ไหมนี่สอนอย่างนี้นะสอนแปลก ครูบาตรแต่ละอาจารย์แต่ละองนะลวดลายไม่เหมือนกันมันมากเลยเวลาอยู่ด้วยอว่าไปสนุกนราชการเจ้าค่ะก็พยายามดูกายสองวันที่ผ่านมาอแต่คือสองวันแ<า> <จะ S 1> รกบังคั บ, จ, บจิตโยบเปล่างหนูไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแน่ใจเถอว่าบังคับ <laughs> รู้สึกเปล่ายังกดอยู่อ่ะรู้สึกไหมมันนิ่งนิ่งคุกขเออเห็นไหมแทนที่มันจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแล้วมันกับนิ่งนิ่งอ่ะ ทำไมมันต้องนิ่ง <P ew> เพราะมันอยากดีใช่ไหมครัแล้วจะต้องทํำยังไงเจ้าคะถ้ารู้ทันว่าอยากดีนะความอยากดับมันก็ไม่ต้องไปบังคับไว้ถ้ารู้ทันความอยากไม่ทันว่าบังคับบังคับไว้ก็แน่นแน่นขึ้นมาถ้าแน่นเรารู้ว่าแน่นไหมนะรู้อยา่อยาเป็นกลางมันไม่มีแรงบังคับได้ยีิบสี่ชั่วโม ง, งเดี๋ยวก็หมดแรงไปเองดูไปดูไปสบายๆนะอย่าไปบังคับเราไม่ได้พาวาเอาดีนะ ไม่ได้ภาวนาเอาสุขไม่ได้ภาวนาเอาสงบแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงว่าขันห้าเนี่ยมันทํางานของมันเองไม่มีตัวเราหรอกกายมันก็ทํางานของมันจิตมันก็ทํางานของมันจิตมันคิดได้เองเห็นไหมเห็นไหมจิตคิดได้เองอยู่ๆมันก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาห้ามมันได้ไหมพวกเรามีใครบ้างไหมอยู่ๆมันก็คิดเรื่องที่ลืมไปตั้งนานแล้วไม่ได้เจตนาจะคิดนะอยู่ๆมันก็คิดได้เห็นไหมเนี่ยดูลงไปเลยนะมันทํางานได้เองไม่ใช่เราหรอกนะ ชมพูถูกโมหะครอบงำแล้วก็ถูกโทสะเล่นงานอีกรอบนึ่งเป็นกลางไหมไม่เป็ น, อนตอบถูกตอบถูกตรงไม่เป็นกลางนี่แหละดีหนูขออนุญาตขอโอกาสขอ อ, อ, กกข อ, อโหสิกรรมต่อหลวงพ่อค่ะไม่หลายขอนะอ้าวโหสิโหให้ทุกคนนะไม่ต้องขอทีละคนเสียเวลา เ, ออเมื่อวานปฏิบัติไปคะคะก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองพยายามจะ จะทำการปฏิบัติขึ้นมาค่ะคือว่าการปฏิบัติต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ถึงจะรู้สึกตัวก็เลยแน่นเครียดนั่นแหละธรรมดาแล้วมันเป็นตลอดสายของการปฏิบัตินะออถึงวันหนึ่งเป็นพระอนาคามินะมันยังคิดอีกทาไงจะเป็นพระอรหันต์วะแล้วหนูต้องทํำยังไงหนู ต, ต้องรู้ทันมันรู้ทันนะใจมันเกิดความดิน้นรนคนกว้ามันอยากหลุดพ้นใจมันดิน้นรู้ว่ามันดิน้นมันหงุดหงิดใจที่ไม่หลุดสักทีรู้ว่าห ง, ง, งุดหงิด ความหงุดหงิดใจตัวนี้ชื่อว่ากุกุจจะเป็นกิเลสตัวหนึง่งตระกูลโทสะต้องรู้ให้เป็นธรรมชาติกว่านี้ด้วยหรือเปล่าคะเบื้องต้นมันไม่เป็นธรรมชาติก็ไม่เป็นไรนะเบื้องต้นหัน ร, รู้สึกไปรู้สึกไปก็ต้องเชื่อด้วยความจงใจรู้สึกหน่อยๆนะต่อมาพอเรารู้ว่าถ้าจงใจมากก็หนักจงใจน้อยก็เบาลงอะไรเงี้ยใจค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นต่อไปมันรู้แบบไม่จงใจนะ นามัส ก, การเจ้าค่ะเมื่อวานในจิตไม่มีแรงเจ้าค่ะก็รู้ว่าไม่มีแรงแล้วก็หลงบ่อยอะเจ้าค่ะก็รู้อยู่แล้วก็เห็นว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความว่างอะคะอ่ะพอมีภาษาปุ๊บจิตมันก็จะวิ่งแล้วเกิดดับเกิดดับออถีดนะเจ้าค่ะก็เช้านี้ก็รู้สึกมีแรงขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นมากขึ้นกว่าเมื่อวานเจ้าค่ะดูมันทํางานไปนะดูมันเกิดดับไปเจ้าค่ะการทเห็นจิตเกิดดับเนี่ยเป็นเรื่องยากนะ เพรส่วนใหญ่เราไม่เห็นนะต้องฝึกกันช่วงหนึ่งถึงจะเห็นพระเจ้าสอนหน้าบอกว่าปุถุชนทั้งหลายที่ไม่ได้ฟังธรร ม, มะเนี่ยสามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่ว่าไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันคุ้นเคยที่จะคิดว่าเป็นเราแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปอเงี้ยจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรอยู่นะอันนี้จะเกิดปัญญาเห็นเลยจิตก็ไม่ใช่เรา ถ้ากายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีล้วได้ธรรมะนะอย่ามรู้สึกตัวนะถ้าทิ้งความรู้สึกตัวก็ทิ้งการปฏิบัติรู้สึกตัวอยู่นะแล้วใจก็นิ่งอยู่ในความรู้สึกตัวก็ได้สมถะรู้กายเรานิ่งรู้ใจแล้วนิ่งก็เป็นสมถะถ้าเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานไปเราเป็นแค่คนรู้คนดูนะเราเดินปัญญาอยู่ค่อยๆฝึกนะ น้ำมันน้ำมนสักกา ร, การเจ้าค่ะอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนําดูสภาวะจิตที่ตั้งมั่นนะเจาา้าค่ะฮะสภาวะจิตที่ตั้งมันม่นมัต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนสิเราถึงจะดูได้นะจิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่นหรอกรู้สึกไหมจิตฟุง้งซ่านฟุ้งค่ะแล้วจะมาดูจิตตั้งมั่นได้ยังไงไม่มีมันจะไม่เกิดมันถึงถ้ามันตั้งมั่นแล้วมันจะไม่มันจะไม่ฟุ้งซ่านสิ หมายถึงว่าถ้ามันตั้งมั่นแล้วมันจะมันจะคงสภาวะนั้นอยู่ไม่คงมันไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงนะสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ตั้งชั่วคราวแล้วก็เสื่อมไปก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันนะความฟุงฟ้งซ่านดับไปจิตก็ตั้งมัน่นตั้งขึ้นนิดเดียวอย่างใจแฉลบไปคิดนะทราบยไหมนะเมื่อกี้หลแบบเห็นดูทันใช้ได้นะดูไปสบายๆอย่าบังคับจิตให้นิ่งตอนนี้ยังบังคับจิตให้นิ่งอยู่ ตอนนี้ทําอยู่ค่ะนะอย่าทําสิรู้อย่ันที่เขาเป็นนะไปฝึกต่อนะทีนี้อยากจะสอบถามนี่นะี่ก็คือว่าที่บอกว่าถ้าคือจากที่มีอยู่ครั้งนึงอยู่อยู่ครั้งนึ่งนะคะก็คือสภาวะมันเหมือนกับพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะมีคําบรรยายต่อแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มีคําบรรยายต่อ เป็นอย่างนี้อยู่3ครั้งนะคะแล้วก็คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ได้ได้ได้ความรู้บางอย่างจากตรงที่คําบรรยายตรงนั้นนะคะแล้วก็หลังจากช่วงนั้นมาเนี่ยพอกลับมา น, นึกย้อนทวนสภาวะนั้นมันเหมือนกับมันบอกว่ามันเป็นคณิกะสมาธิแล้วก็เดินปัญญาอันนี้ถูกหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคะตอนที่มันคิดเนี่ยไม่ใช่เดินปัญญานะมันยังคิดอยู่เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดเอา <Okay. S 2> แต่ว่า ล, า, ล, า, ลาจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วเวลาเกิดความรู้ความเห็นเนี่ยมันรู้อย่างลึกซึ้งนะอันนั้นเป็นความรู้จริงๆนะเพราะฉะนั้นจะรู้แล้วจะคิดต่อหรือจะรู้แล้วไม่คิดต่อนี่ไม่เป็นไร <Okay. S 2> ไม่จำเป็นว่ารู้แล้วต้องคิดต่อนะ <Okay. S 2> รู้หลกปัจจุบันไปเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเราต้องการเห็นแค่นี้เอง <Okay. S 2> ไม่ได้ต้องการฉลาดรอบรู้อะไรมากหรอกไม่ เหมือนกับช่วงที่ที่ผ่านมาตรงช่วงตรงนี้นะคะว่ามันเหมือนกับรู้แต่ว่าเหมือนกับรู้เหมือนไม่รู้รู้เหมือนรู้เหมือนไม่ไม่รู้อะไรไปอย่างนั้นแหละกับอันนั้นคืออย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือมันมันเป็นอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นถ้ามันรู้แล้วมันมีสมมุติบัญญัติขึ้นมามันรู้ว่ารู้อะไรก็รู้ว่ารู้อะไรไปรู้ก็รู้ว่ามีสมมุติบัญญัตินะเพราะฉะนั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่เขาเป็นใช้ได้ทั้งนั้นแหละเราไม่ใช่ต้องการปฏิเสธสมมุติบัญญัติหรอก ถ้ามันจะมีสมมติบัญยัติก็รู้ว่ามีอยู่ถ้ามันไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแต่การภาวนาพอขั้นละเอียดแล้วมันจะไหวยิบยัยิบยับยบยบยบนิดเดียวเท่านั้นแนหะไม่รู้ว่าคืออะไรหรอกค่ะแล้วแล้วตรงที่บอกว่าผู้รู้นี่คือใช่อันเดียวกับสัมปชัญญะไหมเจ้าคะสัมปชัญญะตัวผู้รู้เป็นชื่อของจิตนะเป็นจิตชนิดหนึง่งจิตที่เป็นจิตที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูป ร, ร, รู้นามได้นี่ก็ว่ามีจิตผู้รู้สัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญา สัมปชัญญะเป็นชื่อคนละอกันอย่าเรียนอย่างนี้เลยยุ่มนะไม่ใช่ก็คือคือมีความรู้สึกว่าอย่างที่บทที่จิตที่มีจิตที่เป็นผู้รู้ก็มีสัมปชัญญะจิตที่เป็นผู้รู้มีสติใช่ไหมจิตที่เป็นผู้รู้มีสัมมาสมาธิมีองค์ธรรมหลายอย่างเกิดร่วมกันในขณะนั้นสัมปชัญญะก็เป็นตัวหนึ่งในหลายๆตัวที่ดีๆที่เกิดร่วมกับจิตผู้รู้นะต้องตอบอย่างนี้นะไม่ใช่อันเดียวกันอ๋อค่นะแล้วก็รู้สึกไป พอดีหลานมาด้วยแล้วค่อนข้างจะสมาธิสั้นก็เลยอยากให้แนะนําหลานนิดนึงนะคะสมาธิสั้นช่วยไม่ได้หรอกเด็กเดี๋ยวนี้สมาธิสั้นทั้นั้นแหละนะให้เขาหาอารมณ์ที่สบายใจนะแต่เขาเคยบอกว่าเขาก็เห็นว่าตัวคิดความคิดมันเกิดขึ้นเองเขาเห็นคิดเยอะมากคิดบ่อยมากเปิดซีดีหลวงพ่อไปเดี๋ยวเด็กได้ยินนั้นเด็กจะเร็วกว่าเราอีกเพราะเด็กมันมันซื่อๆมันรู้ซื่อๆแต่ว่าอายุเท่าไหร่แล้ว แปดขวบเศษแล้วจลเจ้าค่ะช่วงนี้กำลังเก่งเดี๋ยวพอสิบสามมันจะลืมเป็นทุกคนอ ะ, ะ, นะที่เห็นมานะมันเป็นอย่างนั้นแหละร7อยเจ็ดสิบหนึ่งอยู่ข้างหลังคือช่วงนี้ค่ะเดินจงกรมแบบสบายขึ้นแล้วก็คิดว่ามันหลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็คิดว่าจิตตั้งมั่นมากขึ้นขน<ณ>านี้ตั้งมั่นไหมอืมก็พอไหวค่ะขนาเนี้จิตออกนอก ตั้งมั่นสงบจริงนะแต่อยู่ข้างนอกไม่เห็นเจ้าค่ะเรอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมลองย้อนกลับไปดูจิตสิเราจะรู้สึกว่าเข้าไม่ได้<ช>รู้สึกไหมนั่นแหละจิตไปอยู่ข้างนอกแนละ้วให้รู้<ช>ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกอย่าอยากเข้าข้างในถ้าอยากเราไปดึงนะจะแน่นเอาแค่รู้ว่าตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นรู้อย่างนี้ไว้งสงบนะแต่ไม่ตั้งมั่นแต่เมื่อเช้านี้คือขับรถมาค่ะเราก็ ชนหมาอืตอนที่ชนเนี่ยค่ะคือมันเห็นเห็นปุ๊บแล้วก็เห็นล้มีหมาสองตัวตัวหนึ่งผ่านไปแล้วตัวที่สองเนี่ยคิดว่าตัดสินใจคือเห็นมันปุ๊บแล้วคิดว่าต้องชนแน่ๆค่ะแล้วก็อมันนิ่งเฉยๆคือตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคือมันกดเอาไว้มากหรือว่ามันนิ่งจริงๆอะคะ่ะจิตมันอาจจะตกใจก็ได้นะมันก็หลบเข้าสมาธิไปคือมันมันนิ่งเสร็จแล้วก็เสียใจคือ ไม่เคยชนนะคะแล้วก็คิดว่านี่หลวงพ่อว่าจะทำเหรียญสักรุ่นหนึ่งไปห้อยหมาแถวนี้ไว้หมามันน่าสงสารมากก็คือคือรู้ว่าคือไม่ได้ือย่างนี้นะอกุศลเนี่ยเมื่อเกิดแล้วเนี่ยอย่าคิดซ้ำนะทุกครั้งที่คิดซ้ำจิตเศร้าหมองเราได้รับบาปขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ชิดสมัยนะวางใจสมัยว่าเราไม่ได้เจตนาหรอกนะงั้นบุญใดที่เราทําแล้วขออุทิศให้นะให้ไปเกิดที่ดีๆอย่าต้องมาเป็นหมาอยู่ดิมถนนอีกนะคือที่ที่ตัดสินใจตัวเองไม่ได้คือว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเหยียบเบรกที่มันมันสั่งไม่ได้มันสั่งไม่ได้นะเพราะตอนนั้นจิตมันเป็นล็อกตัวนิ่งๆอยู่มันตกใจขึ้นมามันก็หลบเข้าสมาธิไปะมันไม่ได้เดินปัญญาตอนนั้น เราห้ามตัวเองไม่ได้ส่วนตอนนี้ก็คือใจมันตอนนี้นะคะก็คือใจมันมีทั้งความเสียใจแล้วก็มันผุดขึ้นมาค่ะเห็นอย่างอย่างตอนเนี้ยถือว่าถือว่าเป็นกลางไหมคะตอนนี้แต่ตอนเนี้ยมันถูกความเสียใจครอบงำจิตรู้สึกไหมยังถูกครอบงำอยู่ให้รู้เข้าไปตรงๆที่ความรู้สึกเสียใจเลยนะว่าความเสียใจอยู่ตรงนี้นะ ให้รู้ลงไปตรงๆรู้สึกไม่จิตมันหลุดออกมาจากความเสียใจเจ้าค่ะตรงเนี้ยหลุดค่ะะตรงเนี้ยหลุดแล้วคิดถึงหมานั่นขออุทิศส่วนกุศลนั้นให้หมาเจ้าค่ะไปฝึกอย่างนี้นะเอาหมาเป็นอารมณ์นั่นแหละเบอบ์ห้าสิบแปดเนี่ยจะต้องทําเหรียญรุ่นหนึ่งแล้วเอาไปห้อยหมาเอารูปหลวงพ่อนี่แหละยังดีนะพวกเราไม่ไปทับชาวบ้านเขาแต่ว่าขับรถต้องระวังนะหลุมเยอะ ซ่อมไงก็ไม่ไหวมันมีรถบรรทุกสายวิ่งนะมีชาวบ้านแถวนี้ตายตายหลายคนแล้วตายเรื่อยๆตายเนืองเนืองนี่ก็ตายเนืองเนืองขับรถแล้วตกหลุมหรือบางคนไม่ตกหลุมนะขับรถแล้วหลบหลุมเลยไปชนต้นมะพร้าวงนะั้นเราอย่าขับรถเร็วเกินไปชาวบ้านมาร้องทุกข์กับหลวงพ่อนะเนี่ยใครเขาไปเดือดร้อนมานะเขาต้องมาโทษใส่หลวงพ่อทุกเทียเนี่ยหลวงพ่อนี่แหละลูกศิษย์ ทำไมมันชอบมาขับรถทับหมาของเขาดีจังเลยหมาไม่เยอะบางบ้านชอบนะบางบ้านไม่ชอบหรอกกลัวทับหมาของเขากลัวทับเด็กพระยังกลัวเลยพระบินทบาทอ่น้านี้มืดๆนะพวกเราขับรถเร็วนะหลวงพ่อพระแถวนี้ต้องใช้ไฟฉายแวบบแวบว บ, บ, บนะป้องกันตัวเองจะให้ติดซีดีเหมือนช้างก็น่าเกลียดนะอย่าใจร้อนนะให้ไปดูตามทางเนี่ย มีคนไปติดป้ายไหมนะให้ขับรถระมัดระวังมีสติาถามว่ามีป้ายควาว่ามีสติอยู่กี่ป้ายตั้งแต่เข้ามาใครตอบได้บ้างฮะนี่สองนี่มีสี่ถ้าทักเยอะแล้วมีอีกไหมนั่นมีสี่มีสามเาหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ <laughs> าหลวงพ่อไม่ได้เป็นคนไปทำไว้เอา้าเบอร์ห้าบนภัสการค่ะ ตั้งแต่เมื่อเช้ามารู้สึกว่ามีมีความตั้งมั่นเป็นช่วงๆถูกไหมคะเออน้องไงแล้วก็คือคืออยางเกลีห<ะ>รือเปล่าว่าจิตใจเราช่วงนี้กับต่ก่นเนะี่เริ่มไม่เหมือนกันแล้ว<ะ>ใจเราเริ่มตื่นขึ้นมารู้สึกไหม<ะ>มันเหมือ น, นเราตื่นขึ้นมา บางทีมันมีอยู่ช่องหนึ่งที่ว่าถ้าเราเข้าไปเจอสภาวะอะไรนี่ค่ะมันจะรู้สึกวูเอ่อวิววิ่าค่ะแล้วก็รู้สึกกลัวมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเรากลัวเราก็เลยหลบออกมามถ้าถ้าตอนที่ช่วงที่เราเดินจงกรมไปและตั้งมั่นเนี่ยเราเราเหมือนกับต้องน้อมเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันถือว่าแทรกแทงหรือเปล่าค่ะฮะเราอย่าไปแทรกสิมันกลัวขึ้นมาก็รู้ว่ากลัวนะวิววิวขึ้นมารู้ว่าวิววมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ถอย แต่ถ้าถ้าสมมุติมันไม่เกิดแต่ว่ามันทำให้ต้องน้อมเข้าไปถึงจะเกิดมันเป็นมันมันไม่ควรจะต้องน้อมไม่ต้องอมไม่ต้องนะมันเกิดก็เกิดมันไม่เกิดก็ช่างมันเราไม่ได้ฝึกเอาตรงนั้นนะฝึกเอาตรงนั้นตรงนั้นเกิดขึ้นเราก็เห็นไปว่ามันเกิดตรงนั้นหายไปเราก็รู้ว่าหายไปไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาไว้นะเบอร์ร้อยสาสารบัตการครับข่าวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าผมมีกดอยู่ครับ ก็มันก็เริ่มคลายออกแต่ว่าบางช่วงมันก็เป็นเค้นอย่างมากครับอย่าไปเคนสินะ <c oughs> มันแค่ไปกดเท่ารู้ว่ากดนะ <c oughs> มันกดเพราะอะไรดูอกยังเพราะมันอยากปฏิบัตินะถ้าเรารู้ทันใจที่อยากปฏิบัติความอยากกลับไปก็ไม่มีต้นตอจะให้กดเท่ารู้ทันไปนะรู <c oughs> ้ไปอย่าไปเกลียดมันครกดก็ <c oughs> เพราะเราฝึกของเราไว้อย่างนั้นมันยังเคยชินที่จะกดมันก็กดเรื่อย เรารู้ทันเราไม่ไปกดมันเพิ่มนะแต่แอมก็คลายออกมันก็ไม่เที่ยงมันก็นละกดนะ่ะเบอร์ <18. S 2> ร้อของคุณภาวนาดีขึ้นนะเบอร์นำมัส ก, การหลวงพ่อค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนึงแต่ว่าเพิ่งส่งการบ้านเป็นครั้งแรกก็ดูก็สวดมนต์เกือบทุกวันแล้วก็ดูจิตพยายามดูจิตระหว่างวันแล้วก็เจอว่า ความอยากเกิดขึ้นบ่อยความลังเลสงสัยเกิดขึ้นบ่อยดีๆแล้วก็จิตไม่ตั้งมัน่นแล้วก็ไม่เป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยนะ <c oughs> รู้ทันมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนะรู้ทันไปเรื่อยๆนะฝึกอย่างนี้แหละเพื่อวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายจิตทุกชนิดไม่เที่ยงนะฝึกไปเพื่อจะเห็นตรงนี้ ตอนนี้ทําได้ถูกหรื อ, อยังคะอะไรนะตอนนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องไหมถูกสินะฝึกไปนะพยายามสวดมนต์ทุกวันน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใช่สวดบางวันหลวงพ่อชอบมุสลิมนะมุสลิมละหมาดวันละหครั้งใจเขาอยู่กับพระเจ้าวันหนึ่งห้ครั้งก็ดีกว่าชาวพุทธที่ไม่สวดมนต์สักครั้งหนึ่งนะในขณะที่ใจคิดถึงพระเจ้าใจได้สมาธินะเป็นบุญนะบุญนั้นมันเป็นสากล น, นะเนี่ย แต่ใจถ้ามีมีสมาธิให้มันก็เป็นบุญแล้วนัว่นแหละเบอร์ ร, ร้อยหกงั้นอย่างพวกเรานะสวดมนต์ยาวๆไม่ไหวสวดสั้นๆก็ได้พุโทโธธรมโมสังโฆสวดมันทั้งวันนั้นแหละอาเชิญ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับเ้าส่งการบ้านเมื่อสามเดือนก่อนนะครับหลวงพ่อบอกว่ายังติดกังวลอยู่ครับในการปฏิบัติสังเกตรหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมดูออกไหมดูออกครับนะใจมันคลายออกแล้วเนี่ย คลายออกแล้วก็รู้ไป ค, คุณรู้สึกหรือยังว่าโลกนี่ห่างออกไปแล้วมองออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อนะมองออกเออนะโลกมันเริ่มห่างออกไปแล้วนะ<ส>ก็สังเกตไหมความทุกข์มันน้อยลงสังเกตสังเกตไหม ค, ความทุกข์มันสั้นลงนะฝึกไปเรื่อยนะฝึกไปอีกครับก็ถ้าที่ดูในรู้สึกว่าสติจะเกิดนี่ก็คือว่าเวลาเผยแล้วรู้ไปในชีวิตประจําวันหรืออีกทีหนึ่งเวลา นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วรู้สึกว่าจิตมีสมาธิเนี่ยก็จะรู้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็มันจะบางทีก็เผลอบางทีก็เพ่ ง, เพงไปส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเราเราต้องมีรูปแบบเอาไว้นะจะทาให้เราดูได้ละเอียดดูได้เร็วขึ้นนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยทำสม่ําเสมอทําไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ทันจิตหนีไปเรารู้ทันฝึกอย่างนี้ต่อมาพอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ถึงเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมหรอก เราจะเดินข้ามถนอนอะไรเงี้ยใจไหลไปนิดเดียวเราก็รู้สึกขึ้นมาได้เองแล้วค่อยฝึกไปนะดีขึ้นเยอะแล้วมีการบ้านอะไรที่ทำอย่างนี้แหละทำอีกเบอร์นะร้อยแปอยู่ข้างหลังทรงการบ้านครั้งแรกค่ะมาวัดหลายครั้งแล้วว่ะค่ะขอการหลงพ่อเมตตาด้วยก็คือในชีวิตประจำวันนะคะใช้การดูจิตแต่ว่า ใช้การดูจิตในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งในแต่ละวันสังเกตตัวเองก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือโทส ะ, ะคะ่ะคือความโกรธของตัวเองมันจะสั้นลงสมัยก่อนเป็นคนที่โกรธนานแต่ว่าคือสภาวะการดูจิตแต่ละวันนะคะมันเหมือนบางวันดูได้บางวันดูไม่ได้และคือช่วงตอนนี้มันเหมือนกับว่าดูได้ก็ดูนะดูไม่ได้ก็ดูก็รู้ไปว่ารู้ไม่รู้เรื่องอไม่เลิกหรอกนะดูออกไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปบ้างไหม ดูออกค่ะฝึกไปเรื่อยนะดีแล้วล่ะแต่ว่ามันเหมือนอาทิตย์นี้ค่ะมันเหมือนอารมณ์กับจิตมันรวมกันนะคะรวมก็รู้ว่ารวมอยากให้แยกรู้ว่าอยากนะรู้ลงปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเราสามารถรู้ด้วยความเป็นกลางได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเป็นเพราะว่าเรารู้ไม่เป็นกลางมันก็เลยไม่ชอบใช่ไหมใช่ไปดูต่อนะไปดูมีอะไรเพิ่มเติมแล้วต้องดูดูสม่ำเสมอไปนะแล้วทาในรูปแบบบ้าง <Okay. S 2> การทำในรูปแบบนั่นแหละก็ทำให้เรามีแรงแรงน้อยไปหน่อย <Okay. S 2> เบอร์สี่สิบขอบพระคุณครับครับขอน้วันสง ก, การหลวงพ่อครับพอดีเพิ่งมาใหม่ถ้ามีคำถามอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับก็ฝึกปฏิบัติมานะครับ <Okay. S 3> ก็ได้ละวางไปหลายอย่างวางกายวางจิตตอนนี้ฝึกวางอารมณ์ไม่ทราบว่า ทำถูกทางหรือเปล่าครับเราเคยดูไปเลยนะจิตไปหยิบไว้ก็รู้จิตวางไปก็รู้เราไม่ได้ฝึกวางหรอกเราจะวางแต่เมื่อเราเห็นทุกข์เห็นโทษจริงๆถ้าเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เนี่ยมันวางของมันเองนะเพราะฉะนั้นการวางเนี่ยเป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่ละหน้าที่วางเพราะเรามีหน้าที่เจริญสติไปนะั่นรู้สึกกายรู้สึกใจดูพระทํางานไปแต่จิตโยมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะใช้ได้อยู่หรอก รู้สึกไหมมันโปร่งมันโลง่งมันเบามากขึ้นนะคเครื่องรุงรังมันน้อยลงก็ดีแล้วล่วนะฝึกไปเรื่อยอย่าตอนนี้ใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจไหลไปคิดนะใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมดูออกไหมตรงนี้ดูออกอถ้าดูออกนะหลวงพ่อให้กันบ้านถ้าเป็นนี่ใจไหลไปคิดรู้ไวๆ ว, ว่าไหล ไ, ไ, ไปคิดไม่ห้ามนะไม่ใช่ห้ามไหลนะ ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ตอนเนี้ไหลแล้ทราบไหมทราบครับเอออย่างนี้ใช้ได้ละเก่งต่อไปเอรอยเจเป็นมือใหม่ค่ะก็คือสั่งซีดีมาที่ฝึกนะใช้ได้นะไ ม, ไม่ค่อยได้ฝึกเลยค่ะนั่นแหละ <c oughs> สบาย <c oughs> ที่ทําอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วหนูจริงๆค่ะไม่ค่อยได้ทําเลยก็เลยจะทำคือคอยค อ, ยคอยรู้สึกตัวไปคนที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยนะใจจะเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่คนซึ่งไม่ได้ภาวนานเนี่ยใจมีความสุขก็ไม่รู้มีความทุกข์ก็ไม่รู้ดีก็ไม่รู้ร้ายก็ไม่รูนะ้เราก็ฝึกนิดเดียวจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รูนะ้จิตโลภจิตโกรธ จ, จ, จิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหงุดหงิจิตเป็นยังไงก็รู้ฝึกเท่านี้พอลนะส่วนพวกที่ไปเข้าวัดเข้าคอร์สมากๆนะจนมากติดเพ่งนะของคุณเนี่ยฝึกง่าย พวกไม่เคยฝึกนั่นแหละคือไม่ไม่เคยไม่ได้นั่งสมาธิกับโดนจองกรมอันนั้นเอาไว้ทีหลังนะไว้ทีหลังก็ได้นิดนึงค่ะหลวงพ่อคือเหมือนกับว่าใจเรามันแบบไม่ไม่ไม่มีสติไม่ไม่ไม่ไม่ตั้งมั่นอะค่ะไม่ตั้งมั่นทําไมรู้ว่าไม่ตั้งมั่นใช่ไหมเรารู้เป็นนั้นใจเราเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจําประโยคนี้ไว้นะจิตใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปไม่ต้องทําอย่างอื่นหรอกเอาตรงนี้ก่อน พอไวไแค่นี้โกรธเป็นใช่ไหมมากค่ะโกรธแล้วรู้ว่าโกรธเงี้ยโลภแล้วรูร้ว่าโลภใจลอยรู้ว่าใจลอยไม่ต้องทําอะไรหรอกฝึกอย่างนี้ก่อนนะขอบพระคุณค่ะเบอร์แปดมาวสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นนะคะ <c oughs> ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าที่ผ่านมานี่ทํา ม, มาถูกทางไหมคะถามอย่างนี้ไม่ได้นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ตอบแบบนี้ละขณะนี้จิตเป็นยังไง ตื่นเต้นตตื่นนเ้ดูออกไหมยังบังคับอยู่ดูออกไหมไปกดจิตเอาไว้ดูออกไหมกดให้มันนิ่งๆทื่อๆนะอย่าไปกดมันแล้วที่ผ่านมาคือรู้สึกว่าจะดูกายได้มากกว่าดูจิตดูจิตไม่ค่อยทันดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูปึกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเลยแล้วที่เราดูจิตไม่ทันก็เป็นเพราะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมคะดูกายไปแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน ไม่จาเป็นว่าทุกคนต้องดูจิตนะดูจิตไม่ใช่โซลูชันนะไม่ใช่คำตอบเดียวนะงั้น<ร>บาง <จะ S 1> คนต้องดูกายบางคนดูเวทนาบางคนดูจิตไม่เหมือนกันถ้าดูอะไรได้ชัดดูอะไรแล้วสติเกิดบ่อยดูอันนั้นแหละบ่อยๆเราจะต้องทำในรูปแบบใช้เครื่องอยู่อะไรดีคะดูกายไงเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายพยักหน้าเอากายเป็นเครื่องอยู่ ถ้าดูกายไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะเห็นจิตชัดเองแหละเบอร์ 6.6 ช่วงนี้ปฏิบัติแล้วรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับหลวงพ่อแล้วก็มันมีความเป็นกลางได้มากขึ้นแต่ว่าวันสองวันนี้รู้สึกว่าจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเออถูกต้องจิตมาออกนอกครับนะให้รู้ทันไปนะแล้วก็ทำในรูปแบบไปครับเบอร์92คนหัดใหม่ๆนะบางทีหลวงพ่อยังไม่ได้ให้ทารูปแบบอะไรหรอก ให้หัดสังเกตสภาวะไปก่อนเราสังเกตสภาวาจะจนเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงนะอันนี้เรามาทําในรูปแบบได้แล้วไม่งั้นจะไปเพ่งร้อยละร้อยเลเพ่งตอนนั้นนะอะเชิญค่ะช่วงนี้มีโทรสารมากเลยค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ทํางานเราก็เกิดความหงุดหงิดขึ้นมานะคะแล้วก็สักพั้มันรู้สึกเหมือนมีบทสวดบนแทรกขึ้นมานะคะออแล้วทําไมล่ะมันรู้สึก ไม่รู้มันมันดูแปลกแปลกไหมคะมันจะแปลกแปลกไหมะไม่เห็นแปลกเลยเพราะตอนนี้มันมีบทสวดมนต์แทรกอยู่เรื่อยๆอะค่ะเป็นาปนยาแค่รู้นะแค่รู้จิตมันสวดของมันเองเราไม่ได้สวดค่ะดูมันทำงานไปค่ะเห็นไหมจิตมันสวดมนต์ได้เองค่ะเห็นไหมจิตกกวดได้เองค่ะเห็นไหมจิตใจลอยได้เองค่ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยมันทำงานเองมันไม่ใช่เรา แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันยังแบบเริ่มเกรงมากขึ้นด้วยอะคะ่ะอะไรนะมันจะเกรงเกรงมากขึ้นอะคะ่ะเกลงเพราะตั้งใจภาวนามากไปนะดูให้เป็นธรรมชาติเลยคนขี้โมโหคนที่ขี้โมโหมากๆนะทำในรูปแบบแล้วบางทีเครียดนะใช่การทำให้สบายก่อนค่ะเอร์แปดสิบแปดอยู่ข้างหน้าขอกลับหลวงพ่อคะ่ะมาครั้งแรกแล้วก็ส่งกันบ้านครั้งแรก คือแต่ฟังซีดีหลวงพ่อกับอ่านหนังสือมาประมาณปีหนึ่งค่ะก็เลยอยากรู้ว่าเห็นก<ด>ิเลสไหมเห็นค่ะตัวไหนเกิดบ่อยโทสะหงุดหงิดเจ็หลงคิดโอ้โอเก่งแต่ว่าเพเอินว่าหนูจะมีโอกาสมากราบหลวงพ่อได้ไม่บ่อยก็เลยอยากให้หลวงพ่อแนะนําเอาไปปฏิบัติเอากายเอาใจเรานี่แหละเป็นครูเราน ะ, ะเราคอยมีสติคอยดูกายมันทางานดูใจมันทํางาน ดูไปเรื่แยลยลมันมีแต่ของไม่เที่ยงเห็นไหมโกรธก็ชั่วคราวไม่โกรธก็ชั่วคราวโลภก็ชั่วคราวไม่โลภก็ชั่วคราวเห็นไหมสุขทุกข์ดีชัว่วทุกอย่างชั่วคราวดูซ้ําแล้วซ้ําอีกจนวันหนึ่งจิตยอมรับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปจิตเขายอมของเขาเองน ะ, ะเรายังไม่ยอมก็ช่างมัอนเราที่ทําปฏิบัติมานี่ถูกต้องอถูกสิแต่ว่าถ้าอยากให้ดีกว่า น, นี้นะตกค่ำเอาไหว้พระสวนมนต์ไปแล้วก็ ถ้าถนัดเดินก็เดินถนัดนั่งก็นั่งดูใจของตัวเองแต่รู้สึกว่าจะดูกายไม่ค่อยเวลาจะดูกายทีมันก็จะแน่นทีแต่ว่าจะถนั ด, ดตวัวคิดคิดคิดเออนั่นแหละใจไหลไปคิดแล้วรู้เมื่อกี้ที่ร้อ ง, งคิดคิ ด, ค, ดคิดเห็นไหม<ง>จิตกระชอกด้วย <c oughs> ค่ะจิ <c oughs> <c oughs> ดคลิปคลิปัวอกไหม <c oughs> เออแล้วแหละรูไปเบอร์แปดสิบเกานมรสการค่ะออตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ จะมีความฟุ้งซ่านแล้วก็หลงค่ะแล้วก็ฟังเสียีหลวงพ่อก็จะได้คําตอบเสมอว่าควรจะจูกายดูใจแต่พอปฏิบัติจริงๆก็จะมัวๆค่ะยู่ได้อย่างนิดอย่างน้อยก็ได้เท่าไหร่ก็ฟ<อ>นะดีกว่าไม่ได้เลยต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นได้ไหวขึ้นพอไหวๆนะเราจะเห็นร่างกายไหวก็รู้สึกใจไหวก็รู้สึกต่อไปก็ดูได้ทั้งวันเลย แต่ก็ไม่มั่นใจว่าควรจะดูกายหรือดูใจดูอะไรก็ได้นะสลับกันไปเหรอคะมันสลับเองเลยทำไ ม, มดูแม่ทำไมต้องดูทั้งสองอนอันแรกเลยเป็นคนช่างจิตในขณะเดียวกันแนละ้วก็เป็นคนรักสวยรักงามด้วย ม, <Okay. S 1> มันเป็นจริตที่ผสมผสานอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ร่างกายเด่นก็ดูกายไปตอนนี้จิตใจเด่นขึ้นมาก็ดูจิตไปนะ ค่ะแล้วเวลาที่ฝึกแบบดูลมหายใจค่ะก็จะรู้สึกว่าอึดอัดค่ะง<อ>พอ่อก็ไม่สะดดเข้าอันอื่นดูการเคลื่อนไหวของร่างกายลหรคะ่ะได้ถ้าทำแล้วอึดอัดก็เปลี่ยนซะกรรมฐานมีเยอะแยะไปค่ะนะ้อยี่สิบเนี่เสื้อแดงเนี่ยทีมเสื้อแดงนั่งใกล้เสื้อเหลืองด้วย <laughs> นั่งติดกันเลย <laughs> ขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อตอนนี้จิต มีราคาเจ้าค่ะแล้วก็ฟุ้งออกข้างนอกแต่ว่าตั้งมั่นปกติตั้งมั่นขึ้นเยอะหลังจากเดินจงกลมมีเหตุเกิดว่าเมื่อวานเนี้เจ้าค่ะขณะที่จะไปเดินจงกลมตามปกติใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วออกไปจากบ้านเนี่ยก็คือประตูรั้วเนี่ยเปิดรีโมทเด็กพี่เลี้ยงเปิดรีโมทแล้วก็ทับหนูค่ะทับตัวหนูสะแบนเหมือนจิ้งจกเลยเจ้าค่ะปรากฏว่าขณะที่ทับเนี่ยจิตเขาเขาเห็นร่างกายเนี่ยมันกําลังอ่อนแรงเพราะมันมันเจ็บมากแล้วมันก็กําลัง กำลังล้มลงจิตเขาเขาขึ้นมาดูขึ้นมาดูเฉยๆโดยที่หนูไม่ได้ตั้งใจจากนั้นเนี่ยแวบเดียวมันก็มันก็จิตกับกายมันก็ดูดเข้าไปอีกแล้วเจ็บเลยไม่ังมันยังไม่เจ็บค่ะแต่ความเจ็บมันมันพาดมาเฉยๆมันมันเหมือนมันแยกอะเจ้าคุณพ่อก็ดีหลักฐานมันแยกนะแล้วก็แล้วก็แยกเองแล้วคราวนี้มันก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรยังไงก็ได้ตายไปกับการภาวนามันชอบจะดู ให้ตายอยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะไม่ตายหรอกไม่ตายใช่ที่มันคิดอย่างนี้ยเพราะมันรู้ว่ายังไม่ตายแต่ว่ามันมันตั้งมั่นมาเหมือนวมันแข็งแรงมากแล้วคราวนี้หนูก็เลยไม่ได้เดินจงกรมวันหนึ่งเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยหนูคําถามก็คือว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะหลังจากที่หนูเดินจงกรมสองรอบมาถึงว่าสามรอบใหญ่วันละสองครั้งเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะเจ้าค่ะแล้วก็เพิ่มการภาวนาภูมิใจไหมไม่เจ้าค่ะเพราะว่ามันยังไม่ได้ดีอะค่ะรอบมันไม่ได้ดั่งใจที่หนูอยากได้คราวนี้เนี่ยหลวงพ่อคะมันมันเกิดคือ ขณะที่นอนมันมักจะเกิดหนูเห็นว่าหนูไม่เคยเห็นว่ากายมันไม่ใช่หนูสักเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันทุกข์มากแล้วมันดิ้นเล่าเๆ่หนูไม่ทราบว่ามันทุกข์อะไรแล้วมันมันเหมือนสะอื้นอยู่ในใจแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะค่ะทำถูกไหมคะถูกแล้วรู้ด้วยความเป็นกลางไปมันไม่เป็นกลางใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วหนูมีอะไรต้องเพิ่มเติมบ้างเจ้าคะก็ทําในรูปแบบไปนะมันให้แรงมันมีกำลังตอนนี้แรงดีขึ้นไหมเจ้าคะนูว่ามันวันนี้แรงตกลง จะว่าเอไปทานะน้อไนีเอดูมไปได้ถึงฉุกเฉินขึ้นจริงๆนะมันแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเองนะแล้วกายตายไปจิตเป็นกลางจะได้ธรรมะบ้างแต่จะถึงสมาร์สีสีหรือเปล่าเนี่ยยังยากอยู่นะสี่สิบเก้าข้างหลังข้างหลังครับนวตสการหลวงพ่อครับ ผมก็มาครั้งแรกเมื่อสิบเก้าพฤติการยินเท่แล้วก็ได้มานับสการหลวงพ่อทีหนึ่งละก็วันนี้คงมารายงานไม่ใช่ว่าเป็นการมาส่งข้อสอบนะฮะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจริงจังเพียงแต่ว่าเป็นการมาศึกษานะที่พอศึกษาแล้วเนี่ยมันมันก็โดยที่ปัจจุบันในทางโลกเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลที่พอมาศึกษาทางธรรมะเนี่ยมันก็เก็บข้อมูลใหญ่เลย ว่าทางอริยรสัจ ส, สี่มันเป็นยังไงพร ม, มิหารสี่เป็นยังไรนะไตรลักษณ์เป็นยังไงนะฮะเชา้านี้ออกจากบ้านมาบ้านผมอยู่มุนชมลีแค่ระยะทางมาบ่อยๆจำได้แต่จิตมันไหลจนขับรถเลยเช้านี้ก็มีความรู้สึกว่าทำไมจิตมันไหลานานจังทำหลับเช้านี้นะฮะ ก็มันรายงานในผลที่ท่านอย่างน้อยหน้าจะเก็บข้อมูลอะไรก็ตามเถอะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นนะรู้ลองไปเรื่อยๆนะไม่ต้องคิดคําว่าปฏิบัติก็ได้อย่างน้อยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆนะมันดีเองแหละแล้วผมปัจจุบันก็ทํางานอยู่ในองค์กรที่หลวงพ่อเคยเคยทํานะฮะก็ที่ผ่านมาเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยความรู้สึกมันอยากเราออกจากองค์กรอืเพราะว่าภาระมันต่างๆเนี่ยอเราคิดว่าเราเราเป็น ของเรานะแล้วก็ไปทุ่มเทกับมันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเครียดกับมันจนอยากจะลาออก ท, ทุ่มเทกับงานเนี่ยนะไม่เครียดนะแต่ถ้าอยากถึงจะเครียดจ่ไว้นะขยันทํางานไม่ได้ทําให้เครียดแต่ถ้าอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากเนี่ยถึงจะเครียดเพราะฉะนั้นคุณไปรู้ทันใจตัวเองไปใจเป็นอยากให้งานดีอยากให้งานสําเร็จเนี่ยรู้ทันความอยากเนี่ยความอยากดับไปแล้วตั้งใจทํางานนะก่อนก่นน้าาีเาออกจกบ จะมีความรู้สึกว่าจะขิวกระเป๋าคอมพิวเตอร์ไปเป็นหนึ่งใบเอาละเราถือความทุกข์ไปทํางานอีกละวอย่าแปลงง น, นสิน ะ, ะช่วช่วงก่อนหน้านี้ฮะก่อนก่อนที่มาเจอหลวงพ่อก่อนที่ก่อนที่ได้เล้าฟังซีดีวันนั้นนะฮะทีนี้พอพอลังจากฟังซีดีแล้วเนี่ย ก, ก็ยังไม่ได้เป็นว่าจริงๆหรอกแต่ว่าก็ลองเป็นคนชอบชอบศึกษาเรื่องนี้พอดูเข้าไปแล้วก็ลองปฏิบัติจเจริญสติดูทีนี้พอเจริญสติแล้วเนี่ย จะเป็นคนที่เจริญสติแล้วมันเจริญทั้งวันอืนะจะพยายามแต่คือกําลังจะถามตัวเองว่าเออเราแกล้งหรือเปล่าถ้าแต่เราพยายามมองว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ขนาดนี้ทีนี้แค่อาทิตย์เดียวอย่างที่หลวงพ่อเคอยบอกนะฮะว่าอาจจะเป็นเจ็ดวันเจ็ดเดือนอหรือว่าเจ็ดปีแต่แค่เจ็ดวันวันนั้นเนี่ยความรู้สึกที่เราดูสติตรงนั้นเนี่ยมันทาให้เราเปลี่ยนอืมพัฒนาคติตรองค์กรได้เลยใช่วันนั้นมันนิ่งลงไปเลยอื ม, มันละวันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ย มันเหมืนมันลักในสิ่งงานของเราเนี่ยขึ้นอีกหลายเท่าทีเดียวความตั้งมั่นตรงนั้นที่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้ววันนี้ทำงานได้ดีขึ้นนะอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนทํางานนะผู้อำนวยการเนะี่ยมายืนรอเราเขียนหนังสือจะให้เซ็นนีนะพวกนี้มากดดันเรามากเลยไม่รอเซ็นนะแล้วถ้าสมาธิไม่มีเราก็กระจงเลยนี่สมาธิเราดีนะเราจดจ่ออยู่กับงานทํางานดีขึ้นนะ งานดีขึ้นไม่ขี้เกียจไม่เห็นแก่ตัวไม่คอรับชั่นศีลมันก็มีอะไรมันก็มีขึ้นมานะงานจะดีขึ้นไม่ใช่ภาวนาแล้วงานเร็วลงนะไปฝึกต่อไปทีนี้ทีนี้จะขอเล่าๆนิดหนึ่งว่าการที่เราพอพอเราศึกษากับมันตรงนี้แล้วเนี่ยมันมันสรุกฮะมันดูแล้วมันเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกมันมันมากเลยกับตรงนี้ใช่ไปเรียนไปตัวอีกสนุกลายสามสิบสี่ นอำมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ hmm. เมื่อประมาณสักสีเดือนที่แล้วค่ะหนูรู้สึกว่าหนูปฏิบัติดีนะคะเ อ, อหนูเห็น hmm. เห็นความหงุดหงิดตนนัวเองยังไม่ยังไม่โกรธนะคะจะเห็น hmm. เอ๊ะเข้าไปแต่มันเห็นมีความหมงุดหงิดอืเหลือบเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คือเห็นความเร่งไม่รู้ว่าอ๋อไอการหงุดหงิดของเราเกิดจากการความอยากมันมีตัวเร่งตัวหนึ่ง uh. ที่ว่าอยากให้นุ่นเสร็จอยากให้นี่เสร็จมันเลยกลายเป็นแล้วมันยังไม่เสร็จทันใจเราเลยกลายเป็นความหมงุดหงิดนั N ่นแหละถูกแล้วนะ แล้ว <dare S 1> โทสะม <be> ันตามหลังโลภะมาอยากอย่างนี้แล้วไม่ได้ก็โทสะเกิดค่ะแล้วหนูก็เห็นกายกับจิตแยกกันในขนาดที่ว่าหนูงงว่าไม่เคยเกิดอย่างนี้คือขณะกำลังสนทนาอยู่อืเดินแล้วก็สนทนาเห็นจิตมันแยกออกจากกายก็เห็นกายเนี่ยปากมันพังาพังาแล้วมีเสียงแล้วเราก็ฟังเอ๊ะแล้วมันพูดได้ยังไงอ่ะแล้วฟังไม่รู้ว่าคือได้ยินเสียงจะไม่รู้มันพูดอะไรหนูก็งงหนูก็ ไม่ไม่กลา้าไม่กล้าห ย, ยุดคืองงเหมือนกันนะคะยืนอยู่งั้นแล้วก็งงต่ก็ไปล่อยให้มันพูดไปไม่งั้นเยู่คูดสนทนาเราจะตกใจไห<ว>มไม่ก็คงรู้เรื่องเขาไปยักหน้าหรืออะไรของเขาไปนะคะ<อ>แต่สักพักนึงเนี่ยมันก็หายมันก็ดับไปนะเจ้าคะ่ะหนูก็ช่วงนั้นก็รู้สึกดีว่าเหมือนเราปฏิบัติเก่งนะคะจิตมันแยกออกมาน ะ, ะกายส่วนกายจิตส่วนจิตดีมันเดินปัญญาค่ะเสร็จแล้วช่วงนั้นหนูก็จะเห็นจะเห็นเห็น เห็นกายกระเห็นอะไรการได้บ่อยมากทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งอยู่ๆจิตมันคิดขึ้นมาค่ะบอกเบื่อก็มันจะต้องตามดูเธออย่างนี้ตลอดชีวิตเหรอไม่อยากทําอำหนูที่แต่ยืนอึ้งว่าเอ๊ะทําไมมันถึงคิดอย่างนี้ทั้งที่รู้ว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือพระศาสนากิเลสมันกลัวว่าเราจะพ้นทุกข์แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นหนูก็แย่ลงอะค่ะหลังจากนั้นมันจะแย่ลงค่ะหนูไม่เชื่อมันเลอ๋อเชื่อมันทําไม ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเสร็จแล้วมันแย่ลงรู้สึกอยูเขาบไม่หรอกไม่ไม่ไม่เสียกาลังใจคุณพ่อบอกแล้วว่านับหนึ่งทุกวันเออแต่มันมาสองสมเดือนแล้วยังไม่หายนี่แหละมันไม่เป็นกลางมันยังนับหนึ่งอยู่เลยค่ะไปดูไปจิตไม่เป็นกลางนะจิตชอบเจริญจิตไม่ชอบเสื่อมไปดูตัวนี้นะถ้าเมื่อไรเป็นกลางเมื่อนั่นเจริญเองแหละแล้วหนูควรควรจะไปดูความไม่เป็นกลางดูความไม่เป็นกลางเอร์อยยี่สิบหนึ่ง ช่วงนี้รู้สึกเห็นความโกรธ ถ, ถี่ขึ้นแล้วก็ตอนที่จะโกรธมันจะเห็นว่าคำพูดของคนอื่นเนี่ยมันมาแทงโดนใจแทงโดนอัตตาแล้วก็มันก็ปีดขึ้นมาตามมาหลังจากนั้นนะฮะห้เห็นตัวนี้บ่อยขึ้นดูไปแล้วก็ไม่ทราบช่วงนี้ผมพ<อ>ัฒ<ก> น, นาดีจะพัฒนาตรงไหนหรือติดตรงไหนหรือเปล่าไม่ติดหรอกดูไปรู้เดียวเลยรเจ็สบเชิญครับ ก็ไม่ได้ส่งกันบ้านมาเป็นปีแล้วฮนะก็ในปัจจุบันนี่ก็คือคิดไปเองนะครับว่าความรู้สึกรู้สึกว่ากายกับจิตเนี่ยมันแยกกันได้พอสมควรนะเพราะว่าโดยเฉพาะเวลาช่วงมีเวทนาเนี่ยจะจะแยกได้ง่ายหน่อยแต่ว่าไม่ทราบว่ามันเป็นความคิดไปเองหรือว่ามันดีขึ้นนะของคุณที่ส่งกันบ้านเสร็จอนะจิตคุนเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคุณภาวนาดีขึ้นเยอะเลยของคุณก็ดีดนนะก็ถ้า อันนี้ก็คือทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปนะแต่ไปพอมันแยกออกไปแล้วจะเห็นในแต่ละอันแต่ละอันไม่มีเราหรอกสติะระลึกรู้กายก็เห็นว่าไม่มีเรารู้เวทนาก็เห็นว่าไม่ใช่เรานะรู้กิเลสก็ไม่ใช่เราอะไรเลยก็ไม่ใช่เราจิตก็เกิดดับดยอย่างเนี้อันนี้ก็คือค่อนข้างตั้งมั่นไหมฮะหรือว่ามันรู้ออกนอกกายมากไปครับกระจายออกข้างนอกนิ่งนะแต่กระจายอเชิญกลับบ้านไป